กรบนมัสการพระกุณเจ้าที่เคารพแล้วก็ญาติธรรมขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุ ก, ท, กท่านที่มาร่วมกันฟังธรรมหนะ้าที่วัดศรีตุดารามในช่วงบ่ายวันนี้ผมก็เหมือนเดิมแหละมาทำหน้าที่มาเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรม มาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขยังสบายดีอยู่ไหมก็ตามธรรมเนียมของพระเจ้าประสงค์สมัยพุทธกาลเวลาเขาพบกัน ท่านจะพูดว่าสัางขารของท่านยังพอทนอยู่ได้หรือสังขารของท่านยังพอทนอยู่ได้หรือถ้าสมัยนี้ไปพูดแบบเมื่อก่อนเขาคงยังมีคนที่สายหัวฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาอะไรกันสมัยใหม่นี้เขาเวลาเจอกันเขาทักทายกันสวัสดีครับ แล้วคำต่อไปก็ถามว่าสบายดีหรือ <Yeah. S 1> คุณสบายดีหรือ <Yeah. S 1> คือคนเราเป็นห่วงมาก <Yeah. S 1> เหลืองความสุขความสบายนย <Yeah. S 1> มุ่งแสวงหาแต่ความสุขความสบาย mm hmm. เพราะว่าพื้นฐานของจิตใจหรือร่างกายของคนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ถ้าใครมีความสุขมีความสบายทือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาละ กินอินอนหลับขับสะดวกเอพอแล้วพื้นฐานของชีวิตขับสะดวกคือขับถ่ายสะดวกไม่ต้องการมากกว่านี้ถ้าต้องการมากกว่านี้นี่มันนีอาจจะเพิ่มภาระกับชีวิตก็ได้สมัยนี้จึงเจอกันมุ่งแต่เรื่องความสุขความสบายคุณสบายดีหรือก็ดูเถอะมัน มันเป็นธรรมเนียมอ่ะที่จริงไม่สบายนะมันก็ต้องตอบก็ต้องตอบไปว่าสบายสบายดีค่ะสบายดีครับสิ่งที่ทำให้เราสบายเนี่ยมันมีน้อยและเกิดในชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดความไม่สบายเนี่ยมันมีมากเรามองสิ่งภายนอกก่อนเหเนี่มปัญหาสารพัดปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาภัยพิบัตินั่นคือสิ่งที่รุมเรา้าอยู่รอบตัวเราแล้วไหนจะส่วนของร่างกายเราอีกล่ะร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บจิตใจก็ถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์ต่างๆเหตุที่ทำให้ไม่สบายเนี่ยมันมีเยอะมันจี่ทำให้คนเครียดมาก นันเปลี่ยนเปลี่ยนคําถามสมัยนะ <c oughs> มาเจอกันถามว่าคุณยังคุณยังสบายดีหรือเปลี่ยนเป็นคุณยังไม่บ้าหรือ <c oughs> มันเป็นางจริงนะเอคุณยังไม่บ้าหรือบางคนบอกอ้เกือบแล้วเกือบแล้วพอทนได้ถ้าทนไม่ได้มันก็เป็นโรคจิตโรคประสาทก็บ้าไปนะและยิ่งสมัยนี้ไหมเวลา เคยสังเกตเมื่อเวลาเราทานอาหารร่วมกันหลายหลายคนเนี่ยอาหารมื้อเช้ามื้อกาลางวันหรือมื้อเย็นเนี่ยพอทานอาหารเสร็จปั๊บเขาจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพบางทีก็เอายามาอวดกันยาหลังอาหารคนเราถุงเราถุงงัดถุงยาออกมาโรงพยาบาลโน้นโรงพยาบาลนี้จะกินหรื อ, อยังยาลดความดันเนอเนี่ย สังขารมนุษย์เนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละเรื่องยามันเหมือนเรือสังขารเหมือนเรือมันต้องคอยยาอยู่เรื่อยคอยอุดคุยาค ย, ยาคายาเดี๋ยวมันจะล่มมันจะจมอ่เดียเอามาอวดกันละเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเรียว่าที่ตัวเราเนี่ยควรจะสนใจให้มากเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ เพราะว่าไอ้ความป่วยไข้มันเป็นพื้นฐานของชีวิตมันรู้อยู่แล้วจะต้องเจอมีใครไม่เคยป่วยไข้ไหม <c oughs> ปัจจุบันนี่ใครป่วยไข้บ้างมีนะดูดีๆเถอะจะเจอในสิ่งที่ป่วยไข้ดังนัน้นเลยนะเพียงบางทีเราก็ไม่รู้จักหรือไม่เ <c oughs> ข้าใจว่านี่คือความป่วยของด้านร่างกาย ความป่วยไข้ไม่ใช่ล้มหมอนนอนเสือ่อไม่ใช่แค่ล้มหมอนนอนเสือ่อบางทีเรานั่งยื้เฉยแ ล, ล้วรู้ว่าเรามีแต่ความเจ็บความปวดทั้งนั้นเนี่ยนั่งนานๆเมื่อยนี่ก็รู้ว่าเป็นการป่วยไข้แล้วแล้วมันปกปิดเราเอาอีริยาบทมาปิดมาปิดบังซะเราเลยมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปทาไมเราไม่มองความป่วยไข้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนการที่เรานั่งเก้าอี้แล้วเมื่อยบังละ ทุกมันจะน้อยลงนะวิธีคิดของเราเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาความป่วยไข้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะไม่ต้องการหรือเราไม่ชอบเราต่อต้านเราจะรักษาตัวเรามากแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีความป่วยไข้ มันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ที่นี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเวลาร่างกายป่วยไข้เนี่ยใจมันเป็นทุกข์ด้วย ท, ท, ทั้งๆที่ไอ้ความป่วยไข้เป็นเรื่องทางด้านร่างกายล้วนๆเลยใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ใจที่มีความทุกข์คือใจที่ป่วยไข้นั่นเอง แล้วเวลาจิตใจมันเป็นทุกข์กับสภาพร่างกายที่มันไม่ปกติมันป่วยมันไข้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ดีเลยนะใจเป็นทุกข์แล้วมันช่วยบีบคั้นให้ร่างกายเนี่ยมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นช่วยร่างกายไม่ได้เลยจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์บีบคั้นให้ร่างกายต้องมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัญหามันมีตรงนเนี้ยเมื่อร่างกายป่วยใจมันก็ป่วยเราจะทําอย่างไรเมื่อร่างกายเราป่วยไข้แล้วใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยวันนี้จะพูดถึงวิเรื่องเนี้ย <c oughs> ร่างกายที่ป่วยไข้ทําให้ใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาทําบุญได้รับ ได้รับเชิญจากพระคุณเจ้าวัดศรีสุดารามให้มาพูดคุยในเรื่องกายหายไข้ใจหายป่วยคนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกายหายไข้ใจให้ป่วยแล้วก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะ <c oughs> กายหายไข้ใจหายป่วยก็แสดงว่า ชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงว่าป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจจําเป็นต้องรักษาทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็รักษาทางด้านจิตใจก็จะเน้นถึงเรื่องป่วยทางใจมากกว่าคือป่วยทางกายนี่ผมไม่อยากจะแนะนํานะเพราะว่า จริธรรมทุกท่านก็คงจะทํานานอยู่แล้วแล้วผมมาพูดเรื่องป่วยทางกายเนี่ยมันก็แลดูเอามาพาะพร้าวห้าวมาขายสวนว่าสวนผมก็มพะพร้าวห้าวเต็มเลยป่วยเต็มร่างกายเลยเหมือนกันก็จะเน้เรื่องการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจแล้วก็การรักษาใจให้หายป่วยคือหายทุกขจากสภาพร่างกายที่ป่วยไข้ แล้วจะมีจะจะบอกเทคนิคในการที่จะไม่ต้องป่วยทางกายไม่ต้องป่วยทั้งใจเราจะทําอย่างไร <c oughs> ป่วยทางร่างกายนี่เราต้องไปหาใคร <c oughs> หาหมอดู <c oughs> มันจริงนะไปหาหมอดูนะคนชอบไปหาหมอดูหมอดูก็ดูบอกอ้อนี่ดวงไม่ดี ดีกับมอดูนะ่ะไปหาพระให้พระช่วยด้ารักษาร่างกายมันมันมันถูกฝาถูกตัวไหม <c oughs> ว่าคุณเจ้าก็บอนี่เป็นโลกกรรมท่านก็รักษากายไม่ได้หรอกว่าท่านมีแค่บาทเดียวเจ้าขึ้นกั บ, บินหน้าบาทมีบาทเดียวรักษาได้ยังไงเครื่องมือพาตัดก็ไม่มี อย่าไปหาพระเวลาร่างกายป่วยไข้ไปหาใครไปหาแพทย์พบหมอพบแพทย์ร่างกายต้องอาศัยคุณหมออาศัยแพทย์เพราะว่าท่านเรียนจบมาทางด้านดูแลร่างกายรักษากายจบมาเป็นโรคเฉพาะทาง ท่านเก่งทานั้นร่างกายนะต้องไปหาแพทย์ยิ่งสมัยนี้นี่แพทย์มีหลายอย่างนะมีแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกมีมากมายเราเลือกเอาเราเหมาะกับสภาพแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมียถิธรรมก็บอกว่าอืมคือแพทย์แพทย์ทางด่วนทานยาปุ๊บหายปับ๊บเลยกันนะ ปทัวตัวร้อนนี่ก็หายได้เป็นแพทย์ทางรวนหรือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกกอให้กำลังใจตะพึืชมีมั่งนวดมั่งฝังเข็มทานยาต้มยาหม้อยาจีนบางทีแพทย์ทางเรือกก็ดูดวงได้นะบางคนดูถึงอดีตอนาคตอดีตไปทำกรรมอะไรมาต่อไปอีกเจ็ดวันจะหาย ให้กำลังใจแพทย์ทางเลือกมักจะให้กำลังใจบางทีไม่บอกตรงๆเลยนะว่าเราเป็นอะไรนะเพื่อให้กำลังใจที่จริงการไม่บอกตรงๆว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นผลดีไหมยอย่าสมมติว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเลยต้องเป็นมะเร็งเนี่ยแพทย์เจอ ก้อนหรือเจอเหตุการณ์ที่จะต้องเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมบอกตรงๆกลัวคนไข้จะเสียกำลังใจมันเป็นผลดีไหมมันเป็นดาบสองคมนะผลดีก็ได้ถ้าคนนั้นจิตมันตกจะบอกตรงๆก็ต้องดูสภาพดูหน้าตาเขาก่อนว่าเขาพอจะรับได้ไหมถ้าบอกตรงๆไม่บอกตรงๆเนี่ยมันผลเสียกับผู้ผป่วยคนไข้นะ พอบางีเขาจะเตรียมตัวอย่างไงใช่ไม่มเตรียมตัวไม่ไม่ทันมางทีสับสนถ้าบอกตรงๆเนี่ยว่าเออเนี่ยเนี่ยเป็นมะเร็งนะขั้น ต, นต้นๆจะพอรักษาได้อยู่หรอกเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมในการใช้ชีวิตในสภาพที่ร่างกายเป็นมะเร็งใช้ชีวิตอย่างไรเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเตรียมตายมันมีประโยชน์ทา้งนั้นนาการที่เราตรัตรียมอะ่ะ ไม่แม้อาน จ, จะรับไม่ได้ต่อไปมันก็จะเริ่มเข้าใจมัญหาให้อาธิปัญหายากนะที่บอกว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วก็ช็อกตลอดถ้ามันไม่ได้แล้วอย่างน้อยมันก็จิตตกไปชั่วขนะต้องบอกตรงๆคนไข้จะได้เตรียมตัวได้ทันถ้าก็พร้อมที่จะรับฟังเตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมดูแลตัวเองตั้งหลักนคนไข้จะได้ไม่สับสน ช่วยได้ทางร่างกายอแต่บางทีแพทย์ก็ป่วยเหมือนกันนะป่วยไหมป่วยนะบางทีป่วยหนักกว่าเราไม่ป่วยกายก็ป่วยใจก็มีนะนอนไม่หลับเคร่งเครียดเนี่ย <c oughs> ก็มีเหมือนกันอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณหมอนัดให้ผมไปพบอจะคุยกับคุณหมอสักหน่อยเรื่องโรคทางร่างกาย <c oughs> พอจะบายก็จริงเนี่ยพยาบาลโทรมาบอกคุณหมอ ป่วยซะแล้วใจส่อป่วยแล้วเ <c oughs> มื่อท่านป่วยแล้วเราจะไปปรึกษาใครล่ะฝากชีวิตฝากความหมา่กับนายแพทย์บางทีเราก็ผิดหวังเหมือนกันเพราะโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาแล้วยังไม่หายก็มีดังนั้นก็บางทีก็พึ่งไม่ได้ คุณหมอเองแพทย์เองก็ต้องป่วยแล้เรื่องความป่วยไข้เนี่ยเป็นเรื่องของสาธารณทั่วไปถ้าเราเกิดมามีขันห้ารูปนามมีกายมีใจแล้วก็มันหนีไม่พ้นเรื่องความป่วยไข้หรอกทางที่ดีนะเวลาร่างกายเราเกิดอาการผิดปกติอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรลงไปช่วยตัวเองสักก่อน ไม่มีใครเป็นหมอดีเท่ากับตัวเราเองเราดูตัวเองบางทีเราไปหาหมอหมอต้องถามเราเป็นอย่างไรบ้างจะรักษาเราได้มาถามเราถามอาการของเราเราต้องดูอาการของเราแล้วเราอดทนดูสันหน่อยอดทนเพื่อปรับสภาพร่างกายจะปรับสภาพกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาลุมเราใช่เวลาเราเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยบางทีไม่ต้องไปหาหมอก็ได้นะ บางทีไม่ต้องทานยาก็ได้นะใช่ไหมเราทาร่างกายอบอุ่นดื่มน้มากๆนอนพักผ่อนบางทีก็หายเลยไม่ต้องไปทานยาที่คุณหมอให้ด้วยนะเนี่ยมันไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลืองเงินเสียเวลาดูแลตัวเองก่อนให้ร่างกายปรับสบภาพตัวมันเอง บางทีเราไม่ปล่อยให้ร่างกายต้องช่วยตัวมันเองเลยเวลาปลวยไข้พักถามคุณหมอไปหาคุณหมอทานยา ก, กดภูมิต้านทานเราหมดเลยบางทีมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันลองอดทนดูสักหน่อยนะใช่เวลาปวดท้องเนี่ยท้องเสียเนี่ยบางทีไม่ต้องไปหาหมอนะพอเราถ่ายมาหมดเชื้อหมดพิษแล้วก็มันก็หายไปเอง <c oughs> คุณหมออาจจะให้คําแนะ น, นํานำแต่ถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันทีหลัง ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ให้หาตัวช่วยก็นนะเนี่ยร่างกายลองดูนะบางทีเราอดทนจะเกิดความเคยชินโอ้นี่ธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไอ้โรกปวดท้องท้องอืดเป็นเรื่องธรรมดาของเราคล <c ười> ื่นไส้อาเจียนโอ้เรื่องธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอว่าโอ้เนี่ยคุณเป็นไวัยทอง <c ười> อ่ยกเรื่องร้ายไวัยทองไปก่อนสมัยก่อนไม่มีไวัยทอง สมัยนี้ทองแพงและมีไวทองแต่คนไม่อยากได้ไวทองแต่อยากได้ทองชีวิตมันต้องผ่านจริงมันไม่ใช่ไวทองัวเงินมันเป็นอาการของร่างกายเมื่อถึงอายุอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันไวทองไม่มี เ, เรื่องธรรมดาสมัยกอ่อนไวทองมีเฉพาะผู้หญิงอเดี๋ยวนี้มีผู้ชายด้วย ใบทอง ม, มีเฉพาะผู้หญิงผู้ชายมีสองอย่างแ <c oughs> นะม่ผู้หญิงกับผู้ชายอะ่ะแล้วคนที่มันมีสองเพศ <c oughs> มันจะไวอะไรอรา น, นั้นเรื่องร่างกายก็ดูแลกันไปตามสมควรจะมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกก็ว่ากันในเรื่องของร่างกายนะผมไม่ต้องบอกก็ได้นิยธทําก็ มีความจำนานอยู่แล้วนะให้คุณหมอให้แพทย์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือร่างกายเรานี่มาเรื่องจิตใจเนี่ยใจที่ป่วยไข่เนี่ยก็ต้องอาศัยแพทย์เหมือนกันนะแพทย์ทางจิตใจนี่แพทย์ทางไหนที่ดีที่สุดนะ ผมไม่ได้ว่าเป็นจิตแพทย์จิตแพทย์บางทีก็ไม่ดีเท่าที่ควรจิตแพทย์บางทีก็ป่วยแพทย์ที่รักษาด้านจิตใจที่สุดก็คือแพทย์ทางรอดเนะยตำแหน่งใหม่นะมันแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกพราะมีแพทย์ทางรอดรอดจากความทุกข์ ด้วยอาศัยธรรมโอสถไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มเพียงเดาฟังแล้วก็เอาไปทำตามแพทย์ทางรอดเครื่องมือในการรักษาคือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองแปดหรือการเจริญสติเป็นแพทย์ทางรอดที่รักษาใจได้ทุกโรค ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะมันก็ได้แพทย์ทางรอดมารักษาตัว เ, เองเออเป็นยาสามัญประจําใจเลยเนี่ยแพททางรอดเป็นยาสามัญประจําใจก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรือเรื่องการเจริญสตินี่แหละอยากจะแนะนําให้เอามาใชา้อย่างน้อยเมื่อเรามีการตั้งตัว อาศัยแพทย์ทางรอดมารักษาใจให้หายทุกแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากนะเวลาป่วยไข้าทางร่างกายเนี่ยสคัญคือที่วิธีคิดวิธีคิดเวลาป่วยไข้ก็ต้องรู้จักยอมรับมันยอมรับในความเป็นธรรมดาของร่างกายเราเมื่อกายป่วยไขย้ใจต้องรู้จักยอมรับมันเป็นวิบากของขัน เป็นผลของร่างกายทุกคนจะต้องมีการป่วยไขย้ต้องยอมรับมันวิบากเป็นว่าผลผลของกันหลาขันร่างกายต้องเป็นอย่างนั้นเองรู้จักยอมรับแล้วก็อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสักหน่อยใจที่อดทนได้กับสภาพร่างกายที่มันแต่ม่ได้ทุกขเวทนาน่ะมันจะลดอาการเจ็บปวดลงได้เยอะเลยเดี๋ยวแล้วมันก็มีกำลังใจมีพลังจิตพลังใจ ที่จะต่อสู้กับทุกเวนทนาธาตุร่างกายแพทย์ทางรอดไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายน้องทำอะไรแค่ศึกษาดูตัวเราเองธาตนเองดูตัวเราดูกายเราดูใจเราเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทําปรับใจให้ยอมรับได้เนี่ยตัวเนี้ยสาคัญมากนะรู้จักยอมรับสิ่งที่มันมีมันเป็น บางจะเกิดสติปัญญาที่แก้ปัญหาร่างกายได้ถ้าคนที่ยังเวลาเกิดการจะไข้ได้ป่วยแล้วตีโพยตีภายใจไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันทําให้สภาพร่างกายเนี่ยมันมันเสื่อมถอยลงไปตึงเยอะนะจิตใจก็ไม่ปกติอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าสำคัญในยามที่ร่างกายป่วยไขย้ไม่มีอะไรดีเท่าการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมด้วยมันเป็นวิธีการรักษาจิตที่ดีที่สุดเลย <c oughs> ก็คือการเจริญสติปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติสติมาทำหน้าที่กลับมาดูตัวเราดูกายของเราดูจิตดูใจของเรานี่เข้าถึงด้านการภาวนาแล้วนะใช่ไหมภาวนานีนรักษาโรคแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดื่มแค่ทานะ ไม่ใช่ยาทาไม่ใช่ยากินแต่เป็นสิ่งที่เป็นยาที่เป็นการ ต, ตัดลากถอนโคนของโรคทั้งหลายทั้งปวงการปฏิบัติธรรมในสภาพร่างกายที่ป่วยไข้เพราะเวลาเราป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตดูว่าที่มีปัญหาที่สุดก็คือจิตใจที่มันดิ้นลนใช่ไหมจิตใจดิ้นลนอยากหายไวๆ ไ, ไม่อยากป่วยไข้ บางทีก็เกิดอาการวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวจะเป็นมากกว่านี้จะทำอย่างไรแล้วถ้าไม่หายละ่ะจะเป็นอย่างไรบันทีซึมเศร้าบางทีน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีใครมาเยี่ยมมาหาน้อยเนื้อต่ำใจจิตฟุ้งซ่านไปเลยใช่ไหมไม่มีอะไรควบคุมจิตเลยคุณหมอก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> คุณหมอช่วยได้แค่ร่างกาย ช่วยไม่ได้หรอกนาะจิตใจช่วยได้น้อยมากจิตใจใครช่วยได้ก็เรานี่แหละเราต้องช่วยจิตใจเราเองนะด้วยสายการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยใจให้ปกติกับสภาพร่างกายที่ไม่ปกตนะิการมีสติรู้ลงไปที่กายของเราในขณะป่วยไข้ อันนี้หลังจากเรารักษาร่างกายแล้วนะขณะรักษาร่างกายบางทีมันยังไม่หายทันทีนี่เราต้องรักษาจิตใจด้วยการเจริญสติสติแปลว่ารู้สึกตัวรู้ตัวรู้คือสติตัวคือร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยเนี่ยตัวสําคัญทําให้เราเป็นทุกข์ละรู้กายมันกําลังเคลื่อนไหวไปไหนหรู้สึกตัว นะรู้ตัวจิตที่รู้ลงไปที่กายในขณะปัจจุบันเนี่ยจิตมันมีเครื่องอยู่มีที่เกานะถ้าจิตเกาะอยู่กับกายเนี่ยจิตไม่ฟุ้งซ่านไปคิดไปคิดให้เป็นทุกข์ในยามป่วยไข้เราไม่เคยคิดอะไรที่ดีเลยสร้างสรรเลยเรามักจะคิดทำให้เราเป็นทุกข์อยู่เสมอเสมอังเกตดูไหมทำไมถึงต้องเป็นเรา <c oughs> คิดอยู่อย่างนี้ละ่ะ ถ้ามีสติรู้ลงไปที่กายเนี่ยไอ้ความคิดหเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีเวลาไปคิดมันมารู้รหลมาเกาะ อ, อยู่ที่กายมันชีวิตมีปัจจุบันนะไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนั้นเวลาเราป่วยข้าอย่าลืมนะเนี่ยมีสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันที่กายไปก่อนมันจะมีความสุขสงบเย็น สบายในสภาพที่ร่างกายป่วยไข้ได้เราจะสแสวงหาความสุขกับสภาพร่างกายที่ป่วยไข้ได้เพราะเรื่องความสุขเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นต้องมีสติจิตที่มีสติคุ้มครองดูแลน่ะมันจะมีความสุขสงบเย็นในปัจจุบันไม่เกี่ยวกับร่างกายสติจะทําหน้าที่แยกจิตแยกกายได้จิตที่ประกอบด้วยสติบ่อยๆเนืองๆต่อเนื่องกันานานๆเนี่ยทำให้ จิตนี่มันมีพลังมันตือนออกมาจากอาการที่มันทุกข์ทางด้านร่างกายมันออกจากกายโดยการว่าแยกนะคําว่าแยกคืออยู่ด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละส่วนกันคนละอันกันร่างกายส่วนหนึ่งจิตที่มีสติรู้ตัวในส่วนหนึ่งไงนะกายคือส่วนกายจิตคือส่วนจิตทีนี้ละ่ะเราจะเห็นว่า เราไม่ได้ป่วยไข้ซะแล้วความป่วยไข้ปเป็นเรื่องของร่างกายแต่จิตเป็นเพียงแก้ผู้รับรู้รับทรา บ, รบเห็นไหมเนี่ยสติทําหน้าที่แยกกายแยกจิตตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันแต่ว่าทําหน้าที่ต่างกันกายมีหน้าที่ป่วยใจมีหน้าที่รู้ <c oughs> นีมันก็เริ่มอิสระแล้วจตจะไปอิสระแล้วลองฝึกบ่อยๆเถอะ เราจะมีความสุขในสภาพร่างกายที่มันเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละเนี่ยเนี่ยบางทีมันเกิดปัญญายานนะเห็นญาณนนะเป็นญาณปัญญาแล้วว่าโอ้กายสัาคตะวกายเนี่ยมชิสัตว์บุคคลเราตัวตนเราเขาเกิดปัญญานีทุกข์ทางจิตนี่มันจะน้อยมากมันจะได้ทุกข์ทางด้านร่างกายแต่สภาพจิตแบบนิรันดรจิตที่เป็นปกติเป็นกลางโดยใช้สติ มีสติท่านเองจิตจะเป็นกลางอยู่ได้และสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาพร่างกายที่ป่วยไขย้ก็คือความเจ็บปวดที่เกิดท่านั้นร่างกายอันนี้เป็นทว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาจากกายความเจ็บปวดที่เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นจากอาการของกายแต่ทุกเวทนาไม่ใช่กายทุกเวทนาไม่ใช่กายนะเกขันหน้าก็มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่5กองกองของรูปคือส่วนของกายกองของเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับกายแต่มันแทรกร่างกายขึ้นมาเพราะแต่ก่อนกายก็ไม่มีเวทนา แต่พอเกิดการป่วยไข้ปั๊บเวทนาก็เกิดแทรกมาจากร่งางกายแสดง ว, ว่าของเก่ามันไม่ได้ปวดอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีความเจ็บปวดอยู่ก่อนใช่ไหมแต่ว่าปวดแต่เมือ่อเอาร่างกายไม่ปกตินั่งนานๆเนี่ยมันก็ปวดก็เมือ่อยโอ้เวทนาเขามาที่หลังทุกขเวทนาความเจ็บปวดมันมาที่หลังใช่ไหมแสดงว่ามันต้องอยู่อีกกองหนึ่งกายก็มีความเจ็บปวดก็มี สติหรือจิตที่อยู่กับจิตกับใจนะั้นมันก็ไม่ใช่เวทนานะแล้วก็ไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาแต่เป็นผู้ที่รับรู้รับทราบในทุกขเวทนามันแยกไม่กองมันแยกได้นะสติที่มีกาลังทำให้จิตในมีคุณภาพเกิดสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นในการแยกกายแยกจิตแยกความเจ็บปวดคือเวทนาขึ้นม่กอง เวทนาคือส่วนเวทนาความเจ็บปวดคือส่วนเจ็บปวดนะคือส่วนเดียวกับเวทนาความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รับรู้รับทราบนั่นก็อีกส่วนเป็นคนละอันกันอีกเหมือนกันนะตอนี้ละ่ะเราจะเห็นว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราเจ็บจนแล้ว <c oughs> เราเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้เห็นความเจ็บ เหมือนเรากําลังดูคนอื่นเจ็บปวดอย่างนั้นนะไม่ใช่เราแต่เราหลงยึดติดว่ามันเป็นเราเราจึงปวดเข้าไปแทรกเข้าไปเป็นความเจ็บปวดเป็นทุกขเวทนาหมดเลยเพราะมีเราอยู่ในทุกขเวทนาแต่ถ้าจิตที่มีสติมันจะแยกได้นมันจะตื่นออกมาจากความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางการนั่นแหละนะมันเกิดยานปัญญาโอ้สักแต่ว่าเนี่ย เ, เวเวทนาสัพท์แว่าเวทนานะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาเนี่ยเป็นผู้รับรู้รับทราบหายตัวออกมาจากความเจ็บปวดนะมันไม่มีตัวมีแต่อาการของกายเช่นนั้นเองมันไม่มีตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าร่างกายมาเกิดความทุกข์ทรมานมากๆเราก็ต้องมีสติ ตั้งสติให้ได้ดูแลร่างกายอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็อย่าลืมดูแลจิตใจดูแลจิตใจด้วยการเจริญสติรู้เท่าทันในทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดให้รู้เท่าทันการที่มีสติรู้เท่าทันทุกขเวทนามันทําให้สติเนี่ยมันช่วยสกัดกั้นจิต ไม่ให้เข้าไปอยู่ในทุกขเวทนาได้นะช่วยรักษาจิตไม่เข้าไปปนอยู่กับทุกเวทนาได้สติธรรมที่นะเนี่ยไม่เข้าไปเพราะนั้นความเจ็บปวดที่เกิดจากธนาร่างกายเนี่ยก็จะไม่รบกวนจิตใจเลยแม้จะรบกวนก็เพียงแค่นิดเดียวนะมันแยกออกจากกันได้ และสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในขณะที่เราป่วยไขย้คือความคิด <c oughs> ความคิดตัวมันเป็นต้นเรื่องของความทุกข์ทั้งหลายต้นเรื่องนะของความทุกข์ทั้งหลายมันปรุงแต่งสารพัดความจริงทุกขเวทนามีนิดเดียวแต่การปรุงแต่งทั้งจิตใจนั้นมันทำให้ทุกขเวทนามีมาก เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยสติเนี่ยจะทำานัาที่แยกกันเหมือนกันนะนแยกไอ้ตัวสังขารคือความคิดนึกเนี่ยความคิดก็เป็นสังขาร น, นะแต่เป็นสังขารฝ่ายนามธรรมเห็นแยกออกไปมันอีกอ ก, กองนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารก็อีกกองหนึ่งความคิดก็คือส่วนความคิดจิตที่ประกอบด้วยสติเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทราบเห็นไหม มันแยกกันไปยิ่งกันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันแยกกันได้แยกกันโดยหน้าที่การทำงานเราจะไม่ได้เป็นผู้คิดแต่เป็นผู้เห็นคิดเราจะไม่ได้เป็นผู้ปวดแต่ผู้เห็นปวดเราไม่ได้เป็นกายแต่เป็นผู้ที่เห็นกายดูกาย <c oughs> มันมันอิสระขนาดไหนใช่ ถ้าเราฝึกดูบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งอิสระจิตใจยิ่งอิสระใใจจะไม่มีความทุกข์กับอาการของกายที่มันป่วยไข้เลยคนที่มีสติฝึกสติในขณะป่วยไข้เนี่ยจิตใจจะไม่กระสับกระสายแม้ร่างกายจะกระสับกระสายใจจะเป็นปกติไม่กระสับกระสายไปด้วย เมื่อจิตใจเป็นปกติไม่กระสับกระสายจิตมันก็ผ่อนคลายมันก็ช่วยทำให้ทุกขเวทนาท่าร่างกายเนี่ยลดความรุนแรงมากลดลงไปมากนะทำให้ความเจ็บปวดนี่มันน้อยลง เ, ยเพราะจิตไม่ได้กระสับกระสายด้วยแต่คนที่ไม่ได้ฝึกสติเนี่ยเมื่อร่างกายกระสับกระสายจิตก็พลอยจากระสับกระสายไปด้วยเผลอเป็นทุกขมากกว่าร่างกายที่มันมีความเจ็บปวดด้ซ้าไป สติช่วยรักษาจิตที่เป็นปกติไม่ให้ไปเครียดนะกับไอ้ร่างกายที่มันเคร่งเครียดเพราะนั้นผู้ที่จิตใจเคร่งเครียดในขณะกายป่วยไข้เนี่ยมันทำให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าจิตผ่อนคลายเพราะมีสติแล้วก็อาการจะไม่รุนแรงมันจะเกิดปัญญาตรงเนี้ย ถ้าคนที่ตั้งใจที่จะรู้จะดูมันแล้วก็มีความอดทนสักหน่อยสติถ้ามีมากๆก็ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งในขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายหรือจิตเนี่ยหรือรูปหรือนามเนี่ยมันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติกองหนึ่งเท่านั้ น, นกลุ่มธรรมชาติกลุ่มนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวๆเราเขา อย่างเี้ยเวลากายเจ็บป่วยใจมันก็ไม่เจ็บป่วยไปด้วยใช่กายเจ็บป่วยใจก็จะไม่ทุกข์ใจอิสระเลยหายตัวออกมาจากขันห้าคำว่าหายตัวคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่าไอ้ขันห้านี่เป็นตัวเราของเรานะเนี่ยสติเนี่ยมันเกิดปัญญา<ม>เห็นแบบเนี้ยอันนี้เป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในขณะที่ เรามีอาการป่วยไข้าทางร่างกายเนี่ยถ้าเราฝึกการเจรติเอาไว้เรื่อยๆหรือฝึกไว้ก่อนจะป่วยไข้นี่ก็ดีเวลาป่วยไข้จะนำเอาไปใช้ได้ทันท่วงทีฝึกเอาไว้นะครัที่ร่างกายมีทุกขเวทนามีความป่วยไขย้จิตจะได้มีเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลนะการเจรติเนี่เป็นการเป็ น, ปนสภาพจิตที่เป็นกุศลเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศล ท, ทันทจิตจะล่องลอยเป็นอารมณ์ต่างๆไปในความคิดจิตมันก็ช่วยสกัดกั้นกระแสความคิดไม่ให้เข้ามาปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์ช่วยให้อะความคิดนี่มันไม่รบกวนจิตแม้แต่อาการปวดเจ็บปวดที่ร่างกายเนี่ยถ้ามีสติรู้เท่าทันเนี่ยจิตมันก็ไม่เข้าไปรวมอยู่กับทุกขเวทนา นะอิสระออกมาเลยแล้วก็จะเกิดความกล้าหาญไม่กลัวแม้ตั้งความตายที่จะมาถึงตัวนะไม่กลัวความตายถึงเวลาตายก็ตายอย่างมีสติไม่หลงตายนะเพราะว่าต่อจากความป่วยไขย้ถ้าไม่หายเป็นยังไงไม่หายก็ตายแล้วดัง <laughs> นั้นถ้าฝึกสติเอาไว้เนี่ยมันช่วยกระตั้งตายเลย ไม่ช่วยให้ตายนะช่วยกระทั่งถึงทายเราต้องตายละสังขารดับสังขารตายอย่างมีสติไม่หลงตายสุขติเป็นที่หวังได้แม้ร่างกายจะเจ็บปวดนะครับเราจะตายแต่ถ้ามีสติแล้วก็ร่างกายก็ไม่เกี่ยวกับเรื่อจิตใจใจก็เป็นปกติสตินำพาจิตใจไปสู่สุขติได้ ตอนนั้นต้องมีใครมาบอกพุโทโธไหมบางทีบอกก็มียินนะ ห, หูมันอือตาลายแล้วแต่ใจมยังทำหน้าที่อยู่เราจะไปอยู่พบไหนดี <c oughs> จะขึ้นข้างบนหรือจะลงข้างล่างทำมิสติล้วขึ้นบนเสมอ <c oughs> ต้องปฏิบัตินะลำพังแค่ฟังแล้วก็คิดพิจารณาเือเข้าใจนี่ยังไม่เพียงพอยังดับทุกข์ไม่จริงหรอกต้องปฏิบัติ ต้องจิตรติเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากการภาวนาเ็าเรียกว่าภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติการภาวนาการจิตรติเนี่ยกายหายไข้ใจให้ป่วยแต่กายยังไม่หายไข้นะแต่ใจมันหายหป่วยหายทุกข์แล้วตอนนี้นะ ก็ผมเองนี่ก็เนี่ยเห็นสภาพพิการอย่าเงี้ยก็ไม่ใช่มีแต่ความพิการความพิการมันหลอกหลอกคนดูหรอกแต่ข้างในเนี่ยโหทุกขเวทนามากมายข้างในมีทุกขเวทนามีโรคภัยไข้เจ็บมากมายเป็นธรรมดาของคนทุกคนนะยิ่งสภาพร่างกายที่ไม่ปกติสภาพร่างกายไม่ปกติแล้วก็อายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยทุกขเวทนาก็ย่อมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความต้านทานของร่างกายเนี่ยภูมิต้านทานไม่เพียงพอพร้อมที่จะรับเชื้อรับโรคได้จากคนที่เข้ามาใกล้ภูมิต้านทานด้านร่างกายไม่ดีคนเป็นไข้เป็นหวัดมาคุยผมสักห้ า, าทีผมก็ติดเนี่ยติดจากเขามาเสร็จแล้วเรื่องร่างกายแต่เรื่องจิตใจนั้นคนมีความทุกข์มาคุยทั้งวันไม่ปลอยไม่ติดใจแร้วใจเรามีภูมิต้านทานเราสร้างภูมิต้านทานใหกับจิตใจได้ แต่ภูมิต้านทานร่างกายคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้ยิ่งสร้างภูมิมันยิ่งลด <c oughs> ตอนนี้ก็มีโรคประจําตัวแท้ไมนะ่โรคเนียไวรัสตับอักเสบซี <c oughs> อันนี้กาลังเป็นอยู่เนี่ยระวังน่าจะติด ก, กันไ <c oughs> วรัสตับอักเสบซีอันนี้ได้จากการถ่ายเลือดเมื่อสมัยที่ ผมพิการใหม่ๆต้องผ่าตัดคอแล้วกระดูกพร้อมๆกันแล้วก็รับเลือดมาสมัยก่อนเมื่อส3สบสามปีที่แล้วไม่มีการตรวจไวรัสในเลือดผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วสามสิบกว่าปีเอามาต้องนานนะแต่ไม่เคยรู้เลยนะเพิ่มมาตรวจรพิการอ้าวนี่มันเป็นไวรัสตับอักเสบซีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยเกิดจาก การรับเลือดผมก็รับเลือดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สังแสดงอาการมีอาการที่อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย เ, เนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยมีบางทีก็เป็นไข้เป็นมาสาสิบกว่าปีก็รักษานะรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ก็กำลังรักษาแพทย์ทางเลือกก็กลังรักษาก็รักษากันไปเรื่องร่างกายนะแต่เรามีแพทย์ทางรอดรักษาใจเอาไว้เราไม่กลัวแพทย์ทางเลือกเลือกไม่พ้นเลือกแล้วไม่รอดแล้วก็แพทย์ทางรอดทำให้ใจมันรอดได้แพทย์แผนปัจจุบันก็ตอนนี้ตั้งเจาะตั้งฉีดรุนไปหมดแล้วอุตลุดก็รักษากันไปเรื่องร่างกายก็ไม่เป็นไรยังเมื่อปีกลายเนี่ย รักษาแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลรีลาดนี่แหละใกล้ๆนี่แหละอยู่ใกล้บ้านหนยเราเราค้าใกล้ๆ <c oughs> คุณหมอก็การรักษาเวลาตับกเ ส, สีต้องฉีดยายาเนี่ยเขาเรียกว่าอินเตอร์ฟอนในนี้มีใครเป็นเวลาตับอกเสพไหม <c oughs> แล้วตอนเนี้เป็นขัข้นที่ตับแข็ง ตับแข็งแล้วก็ตับโตตับผมไม่รู้วมีตับมีสองด้านตับทางด้านนี้มันก็เหี่ยวลงแต่มตันโตทางซ้ายตับโตแล้วก็ตับแข็งมันเข้าขั้นที่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ถ้าอาการของไวรัสตับอักเสบซีไม่หายมันมีโอกาสเป็นมะเร็งมันก็แปลกนะ คนเราเนีเวลาจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามันก็หาโอกาสบางทีรอโอกาสบางทีไม่ได้โอกาสแต่ผมมีโอกาสโอกาสอย่างผมมันก็มีกระยาบเป็นกระเลยรีบรักษาเมื่อปีกลายนี้รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชหมอบอกว่าต้องฉีดยาอินเตอร์ฟิลอนหกเดือนสัปดาห์ละหนึ่งเข็มยี่สิบี่เข็มแล้วก็ ไวรัสก็จะเป็นศูนย์จะหายก็แต่ยาเนี่ยมันมีคุณภาพที่ว่าฉีดแล้วทำให้มีขนข้างเคียงมากเป็นนอ้นองของคีโมแหละอาจจะรุนแรงน้อยกว่าคีโมหน่อยผมไม่ล่วงอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ผมล่วงนี่โกนศรีรษะนะโดยธรรมชาติมันยังไม่ล่วงนะฉีดก็ไปเข็มหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีอาการข้างเคียงละคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร เป็นไข้หนาวสัน่นนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนสารพัดอย่างสามวันไปนงเนงี่ยสามวันแล้วอาการก็จะดีขึ้นจะหายไป<ม>พอตาต้าจะหายตมัยฟอนที่หที่เจ็ดต้องฉีดต่ออยเข็มแล้วก็เริศมีอาการขึ้นไส้อาเจนหนาวสันส่นเวียนศีรษะนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนเป็นอยู่งี้ละ<ม>จง ก, กว่าจะครบหกเดือนอ่ ะ, อะ แต่เวลามันเกิด อ, อาการเนี่ยพอมีวิธีการเอาชนะอาการตัวเองเนี่ยพอมีอาการหนาวสาั่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศรีรษะเบื่ออาหารเนี่ยไอเราก็ยอมรับเลยนะเพราอกลับเ่าเนี้เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเราไม่เคยมีมาก่อนปวดศรีรษะเป็นไข้ไม่ค่อยมีไอเป็นหนักๆไม่ค่อยมีหนาวสั่นก็ไม่มีนี่เป็นอาการใหม่ที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องอเผชิญหน้าต้องเจอต้องเจอแต่มันตามที่คุณหมอบอกเป๊ะเลยว่าต้องเป็นอย่างงี้นะ ออเออใช่เราสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างที่หมอบอกจริงๆอาการเป็นอย่างนี้จริงๆอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้หมอบอกอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับมันสิเอเรายอมรับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะควที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีแล้วฉีดยาอินเตอร์ฟิลอนเนี่ยจะมีอาการข้างเคียงแบบนี้พอเรายอมรับเนี่ยจิตมันผ่อนคลายเลยนะเราไม่มีการต่อต้านไม่มีการผลักไสแล้วก็ไม่แก้ไขอะไร น, ะนอกจาก ทานของเย็นเย็นชดเนื้อชดตัวก็ช่วยร่างกายไปเพียงแค่นี้แต่เรายอมรับมันแต่สิ่งที่สนกันก็คือสติเนี่ยสำคัญมากยานที่เกิดอาการทางกายก็สายสติยอมรับแล้วก็อยู่กับทุกขเวทนาอยู่กับอาการของกายทุกขเวทนาไม่หนีจากเราเราก็ไม่หนีจากทุกขเวทนาแล้วก็ยอมรับมันก็ไปด้วยกันเหมือนน้า กับน้ํามันที่อยู่ในไม้รั้าชวายานเนี่ยมันไหลลงทะเลด้วยกันเลยเราไม่ต่อต้านการต่อต้านทําให้จิตมันเครียดอารมณ์แปรปรวนเพราะว่าอาการต่างมันแปรปรวนมันคือความแปรปรวนของอารมณ์ไม่ใช่เป็นการแปรปรวนของจิตใจใจเราก็ตั้งมั่นรู้อยู่อ๋อมันอย่างนั้นเองแล้วไม่ได้ดูด้วอ๋อเป็นธรรมดาเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดานีมันต้องมีอาการอย่างนี้พอใจยอมรับแล้วมันก็ไม่ ไม่เป็นอริกันเหมือนคนที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับเขาเนี่ยเราจะเครียดนะทำไมเขาพูดมากทำไมเขาจึงเอาความดีใส่ตัวเอาความช่วยสักคนอื่น <c oughs> เราก็คิดต่อต้านไม่อยากอยู่กับเขาอยากจะผลักไสก็อยากจะห น, นีจากเขามันเครียดไหมแต่ย้๊าอ๋อยอมรับซะว่าออกเขาเป็นอย่างนี้เองล่ะธรรมชาติเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของเขา แต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาก็แล้วกันมันก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นมิตรกันเนี่ยสามารถคีกกันได้เราไม่ชอบเขาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรแต่าสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่เข้าใจเขาเขาเป็นอย่างนี้เองในโลกนี้มีอะไรบ้างที่เราชอบใจที่เราอยากให้ดังใจเราแม้ถึงเราชอบใจแล้วไม่เคยถูกใจเราสักอย่างโลกภัยเขาเจ็บก็เหมือนกันนะ อาการมันรุนแรงแต่เราเข้าใจมันอยู่กับมันเราไม่ตรงนี้จากมันแต่เข้าใจมันยอมรับมันซะแล้วก็อยู่กับทุกขเวทนาทางกายแบบใจไม่ทุกด้น <c oughs> เนี่ยเคล็ดลับนะไม่ได้ไปดูไม่ทำอะไรเลยนะแค่อยู่กับเขาเนี่ยมันก็สบายใจพอรอเวลาถึงหเดือนแต่มันไม่ถึงเวลาหเดือน แค่เพียงสมเดือนฉีดอินเตอร์เฟโลนนสบสเข็มพอเข็มที่13ามจบคุณหมอไปตรวจเลือดโอ้เลือดมันตีดเก็ดเลือดมันต่ำอันตรายมากสภาพร่างกายเราคงทนไม่ได้เพราะเราสภาพร่างกายที่มันไม่ปกติเหลือไม่ถึงห้าปเซนไม่ปกติถ้าฉีดยาต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องมีผลข้างเคียงมากหมายจะติดเชื้อหมอและยุติ <c oughs> ยุติการรักษา แค่สามเดือนยุติการรักษาเลยต้องสามเดือนถ้าเป็นมวยก็ไม่ครบยกกรรมการจับท k คเลยเทดดิเกิน็อกเอาเลยว่าอีกฝ่ายสู้ไม่ได้เนี่ยผมวัยรัต์มันชนะท k o อยาอินเตอร์ฟรัของหมอนี่แพ้ทีคีอยกมือให้วัยรัต์ชนะ <c oughs> ก็ยุติการรักษาคนอื่นเขารักษาหายนะแต่ผมไม่หายไม่เป็นไรนะ ร่างกายไม่หายใจก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องหายไม่ได้คาดหวังเลยเป็นก็เป็นรักษาก็รักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไวรัสมันทําลายเฉพาะตับมันไม่ได้ทํำลายเราเลยไวรัสมันเกิดทีนที่ตับไม่ได้เกิดขึ้นที่เราเพราะตับมันไม่ใช่เราไงนะอาการสารพิษสองใช่ไหมเคยท่องไหมเกสา ผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหนาขาเล็บทั้งหลายวัค ก, กังตับทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันมันเป็นสักว์่าธาตุถ้าเราไปยึดติดว่าตับเป็นเราเราก็ถูกไวรัสกินแต่ตับมันไม่ใช่เราตับก็คือตับ <c oughs> เราคือผู้ที่อาศัยตับถันนาที่มันหายตัว หายตัวหายตัวมาจากตับไม่ยึดมั่นถึงมันตับซะ <c oughs> เพราะไม่ได้คาดหวังนะไม่หายก็ไม่หายไมนเป็นไรนะแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมป่วยไม่ได้คิดว่าผมป่วยไม่ได้คิดว่าผมเป็นอะไรนะมันเป็นธรรมดาของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนั้นเองใช่ั้ยร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเอง <c oughs> ถ้าเราไม่ป่วยโรคนี้มันก็ป่วยโรคอื่นไม่เป็นโรคตับมันก็เป็นโรคปอด ไม่เป็นโรคปอกก็เป็นโรคไตเนะีมันต้องเป็นซักโรคนะนะเรามีอะไรแล้วก็เป็นโรคอย่างนั้นนะมีตาเป็นโรคตามีศีรษะก็ปวดศีรษนะเนีดีเนี่ยเราไม่มีหางอ่นะเราจะได้ไม่ต้องปวดหาง <c oughs> นะมันดีแล้วมีแค่เนี้ยปวดแค่เนี้ยมีมากก็นี่ลำ บ, บากก็นี่ใช่ไหมเรามีสิ่งไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละเพราะมีแล้วมันต้องมีการเสรื่อมทำลายมันไม่เที่ยง ม, มันก็บัญชาไม่ได้ทั้งนั้นแหละเนะี่ย ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธรรมดาของร่างกายถึงเวลานี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยพอเกิดมานานไม่ได้ว่าแก่นะเราเกิดนาน <c oughs> เกิดนานสังขารมันก็โทมโรค ม, มันก็แทรกสุดท้ายมันก็เข้าโรง เ, เข้าโรงสุดท้ายของร่างกายนะมันไปไหนมันก็แก่เจ็บตายแล้วก็ไปอยู่กันที่เมนไปรอที่เมน หลอเผาหลอกเผาจริงอย่างนะเรื่องของร่างกายมันก็มีอยู่แค่นั้นแนหะแต่เรื่องของใจนี่สำคัญนะใจเนี่ยมันถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ใจเนี่ยไม่ต้องเข้าเมน <c ười> ใจมีแต่เข้านิพพานนะสุดท้ายนี่พัฒนาใจได้ถึงนิพพานสิ้นทุกทุกอย่างเลยคนเรามักจะมีกายมีจิตแล้วไปยึดอะไรมากมายไปยึดร่างกายมากมาย ไปตกแต่งแต่ร่างกายให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจกายกับใจมีความสำคัญเท่ากันนใจอาศัยกายกายก็ต้องอาศัยใจแต่สิ่งที่ควรพัฒนานั้นคือส่วนจิตใจควรพัฒนาร่างกายไม่ต้องพัฒนาหรอกมันก็โตมันก็อ้วนอยู่ทุกวันแหละแต่ควรพัฒนาใจเอาไว้ดูแลกาย พัฒนาใจเพื่อจะดูแลกายพอดูแลกายแล้วกายดีก็เอากายเนี่ยไปทำหน้าที่พัฒนาสังคมประเทศชาติเนี่ยร่างกายมันไปไม่ถึงไหนหรอกก็เข้าโรงแต่จิตใจเนี่ยไปถึงนี่ผ่านได้สุขทุกข์อยู่ที่ไหนที่ไหนที่ใจสุขทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายใจเป็นผู้รับรู้การปฏิบัติธรรมเรปฏิบัติที่ไหน ที่จิตใจเป็นตัวสำคัญศีล ส, สมาธิปัญญาเริ่มจากใจแล้วก็ไปให้กายเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ใจพระพุทธเจ้าอาศัยความเพียรทางจิตแล้วการหลุดพนะ้นน่ะหลุดพ้นที่กายหรือที่ใจที่ใจใจคือผู้หลุดพ้นนั้นต้องพัฒนาจิตเขาจึเรียกว่าชีวิตจิตใจไง มีใครบอกชีวิตร่างกายไหมต้องชีวิตจิตใจชีวิตสําคัญที่จิตใจถ้าใจไม่ดีใจเสาะใจแครงเครียดซึมเจ้ามันไม่ใช่ชีวิตอะ่ะ <c oughs> ถ้ากระตือรือร้ น, นโอ้โหกระตือรือร้ น, นนะตื่นอยู่เสมอเนี่ยเพราะจิตใจก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละนั่นคือด้านจิตใจชีวิตจิตใจถ้าใจดีร่างกายมันก็ดี ใจไม่ดีร่างกายก็พอจะทสุดโสรมนะเนี่ยเพราะนั้นชีวิตสำคัญที่จิตใจนะต้องพัฒนามากๆเพื่อจะไปดูแลกายเนี่ยจิตเปรเหมือนผู้ดูแลสติปัญญาเหมือนคุณหมอดูแลกายเหมือนคนไข้ <c oughs> มันจะพากันไปรอดได้นะ <c oughs> ผมก็สายแพทย์ทางรอดเนี่ย รักษาใจไม่ให้ทุกข์ <c oughs> ในสภาพร่างกายที่ไม่ปกติอย่างเงี้ย <c oughs> มันได้รับความรู้จากการที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะได้ความรู้ใหม่ๆละมากมายเลย <c oughs> จะน้อยรู้ว่าไวรัสตับกเกศซีเนี่ยมันบันทอนเฉพาะฝ่ายร่างกายเท่านั้นนะมันไม่สามารถ จะบันทอนจิตใจให้เป็นทุกข์ได้ถ้าใจไม่ยึดติดว่ากายเป็นเราแล้วก็มันก็ไม่ทุกข์ใช่แล้วแถมได้รับประโยชน์จากอาการป่วยไข้ด้วยซ้ำไปได้ปฏิบัติธรรมได้รู้ความจริงโอ้ธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันต้องไม่เที่ยงชีวิตเนี่ยมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้คุณหมอก็รักษาไม่ได้นะ รักษาไกัชั่วคราวล้วก็เป็นโรคใหม่ร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นควรจะมีชีวิตแบบปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์ควรจะดำเนินชีวิตแบบปล่อยวางเหลือแต่หน้าที่หน้าที่ทำข้างนอกแต่ใจน่าปล่อยวางข้างในคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยเป็นการรักษาใจไม่ให้ทุกข์แม้ร่างกายสภาพที่เป็นทุกข์มันก็ไม่เกี่ยวกัน สรุปแล้วนี่ความป่วยไข้นี่มันไม่ใช่ความทุกข์นะแต่มันทุกข์เพราะว่าอุปาทานต่างหากโรคทางกายไม่ทำให้เราทุกข์แต่โรคทางจิตคือโรคอุปาทานเนะี่ยทำให้เราเป็นทุกข์โรคอุปาทานคืออะไรคอวามยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามขันหา้ากายใจนะั้นมันเป็นเราเนอันนี้คือทุกข์อย่างที่สุภาษิตเขาว่า สังคีเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วอุปทานิขัตั้ง5้าเป็นตัวทุกโรคอุปทานนี่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ไหมแพทย์ทางเลือดรักษาได้ไหมและแพทย์ทางรอดอ่ะแพทย์ทางรอดรักษาได้แพทย์ทางรอดคือการปฏิบัติธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาอัดทางคิกรมมักอริยมรรคมีองค์แอันเดีย ว, เดยวกัน หรือการเจริญสติหรือวิปัสสนาเป็นแพทย์ทางรอดเป็นธรรมะโอสดยาสามัญประจําใจรักษาใจไม่ทุก <c oughs> แพทย์ทางรอดทำยังไงเราต้องฝึกคือการเจริญสตินี่แหละเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่ารูปนามขันห้าหรือกาจิตมันไม่ใช่เรา เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของกันห่าเนี่ยเห็นความบังคับบัญชาไม่รู้อนัตตาเนี่ยของกันห่าแล้วเราก็จะมีแต่การปล่อยวางเบื่อนายปล่อยวางไม่คิดมั่นถึงมั่นสุดท้ายแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครป่วยไข้และไม่มีใครหายป่วยไข้เพราะมันไม่มีคนร่างกายมันก็ไม่ได้อกมันป่วยไข้เลยเราก็ไปคิดเ อ, เองว่าโอ้เราป่วยเป็โนโรคโนนนี้ร่างกายไม่ได้บอก ร่างกายมันมันเป็นยั้งมันอย่างนั้นเองมันไม่บอกมันเป็นอย่างนั้นเองถึงที่สุดแล้วเนี่ยสติปัญญาเต็มที่แล้วมันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทําลายโลกอุบทานใชว่ากายจิตหรือรูปนามขรณะเป็นของเราเราจะรู้ว่าอ๋อนี่มันไม่มีใครป่วยไขย้และไม่มีใครหายป่วยไขย้ก็ไม่ยมันมีไม่มีคนอะ มีแต่สติปัญญาล้วนๆไม่มีคนแล้วใครจะป่วยไข้ล่ะแล้วใครจะหายป่วยไข้มันก็เป็นธรรมปัญญาของเขาอย่างนั้นเองถ้าอาจารย์พุทธาธบอกมันเป็นเช่นนั้นเอง <c oughs> พอไหม <c oughs> มันได้เป็นคําตอบเนี่ยนะคําตอบสุดท้ายเน <c oughs> ี่ยวันนี้เขาคุณเจ้าบอกจ่มาพูดอะไรนิสิตนักศึกษาปัญญาโท ฟ, ฟังพูดอะพระฟังถวายความรู้กับละ <c oughs> ก็ก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะถวายความรู้แล้วก็ให้เงี้คิดให้กำลังใจกับเจตีธรรมในการใช้ชีวิตในสภาพร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยจงมีสติมีปรรัญญารักษากายหายไขย้รักษาใจหา ย, หายป่วยนะพ้นจากความทุกข์ได้รับความสุข ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการทุกท่านทุกคนเธอ